ป e? de ัจเจยกโอกาสจากขุนทริยะมูลกะในสามอเก้าอนุจกขุนสีในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสมนณศีในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมปัจเจเนกาบุคคลโอกาสจากขุนธริยะมูลกะในสาม้อาสบห้าอนุจกขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหม วิบุคคลผู้กําลังจุติจากบรรจโวการภูมิและบุคคลผู้มีจักผูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกาลมวจรภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสตินทรีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในบัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยูในสาศัยใสัตภูมิอรูปภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและโสตินรีก็ไม่ใช่จักเกิด ปฏิโสตินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิปัดชิมพวิกริบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิโสตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังเปรินิพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสศันยสัตตภูมิอรูปภูมิ โสตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและจักขุนสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุจักขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดคาเนนรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากการมวจรภูมิและบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามวจรภูมิจักขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่คาินทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิด บุคคลผู้กำลังปรินิพานในการมาวจรภูมิบุคคลผู้กำลังจุติจากรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาันยสัตภูมิอรูปภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานินรียก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิการินทรียของบุคคลใดในภูมิดไม่ใช่จกเกิดจากขุนศีของบุคคล น, น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิ ปชิมพวิกกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในกาลมาวจรภูมิและบุคคลผู้กำลังอุบัติในโรปาวจรภูม yeah. ิค่าินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่จากุผลสีไม่ใช่เมื่อกำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกาลมาวจรภูมิบุคคลผู้กำลังจุติจากโรปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอในอสัญญัตถภูมิอรูปภูมิค่าินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมิน <Ja ั้นไม่ใช่จากเกิด และจากขุนศีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอิทธินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากกรรมวจรภูมิและบุคคลผู้มีจักผูกเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในการมวจรภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อิทธินศีไม่ใช่จักไม่เกิด บุคคลผู้กําลังปรินิพานในกาโมรวจรภูมิบุคคลผู้กําลังจุติจากโรภาวจรภูมิและบุคคลผู้อุปาจึงในอสัญญาสัตภูมิรูปภูมิบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางพบเดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอิทธินสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ อิทินซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดจากขุนซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิประชินพระวิเคราะห์บุคคลผู้กําลังอุบัติในกาลวจรภูมิบุคคลผู้กําลังอุบัติในรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสระเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกํำลังอุบัติอิทินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิด แต่จากขุนสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกางมาวจรภูมิบุคคลผู้กำลังจุติจากโปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบาทว์อยู่ในอสัญญัตตภูมิอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปริจะเกิดได้เถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติอิทธินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและจากขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิด อนุจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากการมวจรภูมิและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติในการมวจรภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปุริสินศีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในการมวจรภูมิบุคคลผู้กําลังจุติจากโรปาวจรภูมิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัยในสัตวภูมิอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภ พ, พโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและปุริสินศีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิปุริสินศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดจากขุนศีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหม วิประชิมพวิเะบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีที่เกิดได้เถอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรนินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่จกขุนสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกาลมาวจรภูมิ บุคคลผู้กำลังจุติจากโรปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบ่าอยู่ในอสัญญสัตตภูมิอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและจากขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด ชีวิตินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจากโูลเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินทร์สีไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปฏินิพพานในปัญจโวการพูมิและปัจฉิมภวิกตะบุคคลในรูปภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและชีว <si ิตินทร์สีก็ไม่ใช네่จากเกิด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 และปัดชิมพวิกาบุคคลในรูปภูมิชีวิตินทรีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะกเกิดและจากขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจากขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสมนัสินทรสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะกเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้มีจากขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในการมวจรภูมิ จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สมณสินศีไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวกาลภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิฮารุภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจากขุเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสมณสินศีก็ไม่ใช่จากเกิด ปติโสมนัสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปติมภรวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวคารูมและบุคคลเหล่าใดมีจากผุเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติโสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจกักขุเกิดได้มีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและวปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติโมสมนัสสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจักขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจักขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด บุเปกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิบุคคลผู้มีจากขุเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในการมาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปภูมิจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิปฏิทินพวิกร บ, บุคคลในรูปภูมิ บุคคลผู้อุบอัติอยู่ในอาสัญญัตตภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจักขู่เกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอุเปกินสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิ ปัจฉิมพวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจักขูกเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสจักอุบัติและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่จักขุนรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัจฉิมพวิกรบุคคลในอรูปภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตาภูมิ และบุคคลเหล่าใดไม่จักผู่เกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสจักอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและจักขุนสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุจักขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสัดทินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิ บุคคลผู้มีจักรขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิจากขุนรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัตทินรียไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวกาลภูมิปฏติมิพวิตรบุคคลในรูปภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัญสัตตภูมิจากขุนรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสัตทินรีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ ชาตินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดจากผลสีของบุคคล น, น, กกคค น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวกัลภูมิชาตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่จากขผลสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรนนินิพานในปัญจโวกัลภูมิปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูปภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตถภูมิ จตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและจกักขุนสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุจกักขุนรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปนันยินทสีมณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวก า, ารภูมิบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติในการมาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิ จากขุนศีของบุคคลเหล่า <aún> นั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนินรีไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิปัฉิมพวิเคะบุคคลในรูปภูมิและบุคคลผู้อุปาจูเนสันในสัตภูมิจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนินรีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิมนินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิด จากขุนสีของบุคคลนั้นในภูมินั mm ้น hmm. ก็ไม <c oughs> like ่ใช <c oughs> ่กำลังเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกระบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจะโวการภูมิมนณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจะโวการภูมิปัจฉิมภวิกระบุคคลในรูปภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิมนณีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิด และจากคุณสี่ก็ไม่ใช่กำลังเกิดจากคุนทริยะมูลกะในจบคานินทริยะมูลกะใน3ามอนุคานินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอิทินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากการมวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในการมวจรภูมิ คาณินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อิทธินรีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกางปวจรภูมิบุคคลผู้อุปาจูในรูปวาวจรภูมิอารูปวาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปริจักเกิดได้เถอปฏิส P, นธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอิทธินรีก็ไม่ใช่จักเกิด ปฏิอิทธินิีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดคานินทรียของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิปฏิทินพวิกร บ, บุคคลกําลังอุบัติในกาลมาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติอิทธินิสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่ไม่กําลังเกิด บุคคลผู้กำลังปรินิพานในกางมาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริชะเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติทิฏฐิสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและคานินนรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุคาเนนรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด ปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากการมวจรภูมิและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในการมวจรภูมิคานินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในการมวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ เธอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั่นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลนั้นกําลังจุติเธอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติคาเนนสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและปุริสินสีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดคาเนนสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิ ปะชิมผวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละและวปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติปริเสนจีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คาเนนรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกามาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิ และบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพด้วยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติปุริสินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและคาณินีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุคาณินีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ แล้บุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกามปวจรภูมิและประชีมพระวิกระบุคคลในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด คาณินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปัจจิมภวิกระบุคคลผู้กำลังอุบัติในกาลมาวจรภูมิชีวิตตินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่คาณินรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกามาวจรภูมิและปัจจิมพวิกระบุคคลในรูปาวจรภูมิารูปาวจรภูมิชีวิตตินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิด และคานนิรีย์ก็ไม sc uh, um, ่ใช um. um, um, um, uh, um, uh, ่กำลังเกิดอนุคานนิท huh. ร um, uh, so ีย um, uh, ์ของบุคคลใดในภูม huh. um, uh, ิใดไม่ใช่กำลังเกิดสมณสินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากกรมวจรภูมิบุคคลผู้มีคารณะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกรรมวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิคานนิทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สมณสินรียไม่ใช่จักไม่เกิด บุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปัติถิมภวิกะบุคคลในโรปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบตอัติอยู่ในอาศนิสัตตภูมิอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติคานินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและโสมนสินสีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิโสมนสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิด คณิ น, นจีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิประชินพระวิกคะบุคคลผู้กำลังอุบัติในกาลมาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีภาณะเกิดได้และมีจิต Kraft เป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติสมณสินจีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คาณินจีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกาลมาวจรภูมิ ปัดมพระวิกะบุคคลในโรปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตภูมิอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติโสมณีสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและคาเนนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุคาเนนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเบกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำลังจุติจากกาลมาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกาลมาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิคานินจีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเป็หินสีไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกาลมาวจรภูมิปัจฉิมพวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญิสัตตภูมิ และบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกํนาลังจุติคาเนนรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอุเปกินรีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิอุเปกินรีของบุคคลใดในภูมินในมไดไม่ใช่จากเกิดคาเนนรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิประชิมภวิกคะบุคคลผู้กําหนดอุบัติในกลามวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดผู้มีคานะเกิดได้ และมีจิตเป็นโสมณัตจักอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกํำลังอุบัติอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่กานินทรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปัตถิมพวิกละบุคคลในโรปาวจรภูมิอโรปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติจ่ในอสัญญสัตภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมณัตจักอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติ ภูเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและคาณินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุคานินสียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัจทินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากกรรมวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกรรมวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ คาณินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัตทินรียไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในคาราวจรภูมิปัจถิมพวิกระบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญยสัตภูมิคาณินซียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสัตทินซียก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิสัตทินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด คาณินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพระวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในกลางมวจรภูมิสัจทินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คานินทรียไม่ใช่เมฆกำลังเกิดบุคคลผู้กำลังเปรินิพานในกลางมวจรภูมิปัจฉิมพรวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสาศนิสัรถภูมิสัจทินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิด และคานินซีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุคารนินซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปันยินรีเมนินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากกรรมวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกรรมวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิคารนินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่มนินท ร, รียีไม่ใช่จากแม่เกิดบุคคลผู้กําลังปริิพานนิคารวาจรภรูมิปัจฉีนพวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมอารูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสศนิศสัตตภูมิคลานินท ร, รีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนินท ร, ร์ศีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิมนินท ร, ร์ศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดคลานินท ร, รียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิ ปัดชิมพวิกรบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปริ น, นิพพานในกางปาวจารภูมิปัจชิมพวิกรบุคคลในรูปาวจารภูมิอรูปาวจารภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและคานินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิด ข้าใ น, นทริยะมูลกะในจบอิถินทริยะมูลกะในสามร้อยเก้าสิบเจ็ดอนุอิทินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากกลามวจรภูมิและบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกลามวจรภูมิอิทินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่ปุริสินีไม่ใช่จากเม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกางปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปรวาวจรภูมิอรูปรวาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางพบโดภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติอิทธิ์สินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและปุริสินีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิ ปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดอิทธินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพวิเราะบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เถอปฏิสนธิในบางภ พ, พโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่อิทธินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลผู้กําลังปรินิพานในครามวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติปุริสินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและอิทธินีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุอิทธินีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด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 และปัดฉิมภวิกระบุคคนในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิอิทธินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดอิทธินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปัดฉิมภวิกระบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิด แต่อิทินซีไม่ใช่เนื้อกลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิและปัจิมพวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิารูปาวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและอิทินซีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุอิทินซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสมณสินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำลังจุติจากกลางมวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกลามวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอิทธิ์รีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สมณสินรียไม่ใช่จากเมื่อเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกางมวจรภูมิปัดฉิมพวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิอรูปภูมิ และบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจาก อ, Jonas, อุบัติและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติอิทธินิสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมณสินสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิโสมณสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดอิทธินิีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปชิมพรวิกะบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติ และบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแล้วปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติสมนุนธิสิีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่อิทธิสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปัจฉิมพวิกระบุคคลในรูปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติ และปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติสมนณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและ อ, อ, อิทินรีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุอิทินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอุเปศินรีของบุคคลนั <i. <i ้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากกรามวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเคยไม่ได้กําลังอุบัติในครามวจรภูมิ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิอิทธิ์รีลสของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเบกขินรีไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้กำลังป ร, รินิพานในกลาม า, าวาจรภูมิปัดฉิมพวิกระบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอตยู่ในอสัญญัตตภูมิและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพาน บุคคลเหล่านั้นกําลังจุติอิติินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอุเปกินสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดอิติินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิปฏิหิมพวิกรบุคคลผู้มีอิทธิทธเกิดได้กําลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้และมีจิตเป็นสงมนัติจักอุบัติแล้วบริณิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังอุบัติ ภูเปขิ้นสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่อีกทิ้นสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในคามาวจรภูมิปัจถิมพวิกรบุคคลในรู ป, รว ป, ปรวาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตสตภูมิและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติอุเปขิ้นสีของบุคคลเหล่า น, นั้นในภูมินันน้นไม่ใช่จากเกิด และอิทธินี 4. ก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุอิทธินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสัจทินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากกรรมวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกรรมวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจารภูมิอรูปาวจรภูมิอิทธินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด สต่สทินสีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในฟราบวาจรภูมิปัจฉิมพวิกะบุคคลในโรปาวจรภูมิอโรปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุปาจู่ในอสัญญสัตตภูมิอิทินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูม <plumbing> <comercial>. ิน <designed Leonard> ั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสัจทินสีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิสัจทินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดอิทินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิ ปัดชิมพว wow. ิกคะบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติสัตยินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่อิทธิินทรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกรามาวจรภูมิปัดฉิมพวิกคะบุคคลในรูปาวจรภูมิารูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิสัตยินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและอิทธินทรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุ ติถิินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปันยินรีย์มนินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากคาราวจรภูมิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในการาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิอิถิินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จักไม่เกิด บุคคลผู้กําลังปรินิพพานในคามาวจรภูมิปัจฉิมพวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิารูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตภูมิอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนินรียก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิมนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดอิทธินีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิ ปัดชิมพวิกรบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติมนินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่อิถธินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกลางวจรภูมิปัจชิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและอิถินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิด อิทินทริยะมูลกะในจบ